เราต้องวางใจไว้เป็น ก, นกลางๆมันหายก็ดีมันไม่หายก็ไม่เป็นไรหายก็เอาไม่หายก็เอาเนีย่ยไม่ถึงการรักษานะผลคือต้องยอมรับทั้งสองด้านแล้วใจจะไม่เป็นทุกข์หรอกหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรใจเราต้องทำอย่างเนี้ยตองรักษาอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ถ้าเราหวังว่าเออมันต้องหายดิ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 ก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่าเป็นยาที่ถูกกับโรคโรคแบบเนี้ยโรคความทุกข์เนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเกี่ยับเฉพาะคนงานคนหนึ่งนะพูดกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่โรคของความทุกข์ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมะโอสถไอเนี่ยเป็นยาที่มันทานกับโรคแล้วหายขาดเลยนะธรรมะโอสถขนานเอกคือการปฏิบัติธรรม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 นั่งสมาธิก็เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมทาได้ทุกที่เลยไหมให้มีปัจจุบันอยู่กับตัวเราเนี่ยสติเนี่ยเขาทําหน้าที่ระลึกรู้ไม่ปล่อยให้จิตใจมาเลื่อนลอยไปปรุงแต่งไปฟุง้งซ่านถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่การฟังเนี่ยคิดไม่เกินสาราเนี่ยทุกจะไม่เกิดหรอกแต่ถ้าความคิดแลบออกไนอกสาลาแล้วก็ไม่มั่นใจนะ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 สร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่อดทนเอาไว้แล้วอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเป็นบทเรียนของชีวิตเลยถ้าผ่านทุกขเวทนาทางกายได้ก็จะทนได้อีกหลายอย่างและประโยชน์คือได้กับตัวเราความอดทนบางทีเราก็ต้องย้ายจุดนะใช่มันปวดมากมันทรมานมากย้ายจุดย้ายจิตไปรู้อย่างอื่นแล้บ้างถ้าเราอดทนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไหวแล้วย้ายจิตไป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 เรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องเที่ยวที่นู้นที่นี้นึนนกส่งจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต่ต้องเปรยเพลงดีๆนะอย่าไปนึกเพลงเนี่ยไมถึงต้องเป็นเราบางทีทุกไปจนตายลองนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ย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 หายใจออกพุทหายใจเข้าโทพุทโทรเรื่อยๆส่งจิตสนใจไปในอารมณ์พุทธโธพุทธโธเป็นคําบริกรรมมันก็สามารถดึงจิตดึงใจออกจากทุกขเวทนาทางกายได้เหมือนกันช่วงเวลาที่เราบริกรรมอยู่อันนี้เป็นวิธีการทํากรรมฐานส่วนหนึ่งแต่ก็ได้เพียงชั่วคราวได้เพียงชั่วคราวเป็นการตั้งหลกกัก จ, จิตใจต่อมาเนี่ยใช้วิธีการเจริญสติ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 บางทีชอบประชดประจันตัวเองไม่กินยา mm. ไม่กินข้าวทาหน้าปึงเ <c oughs> นี่ยมีอาการแบบนี้หรือบางทีอยากตายหรือลอวลอดไปเลยอันเนี้ยเป็นอาการของคนไข้จะไม่สดชื่นนั้านจิตใจผู้ดูแลก็ต้องเข้าใจเข้าใจคุยกับเขาตามปกติให้ความสำคัญคือให้ความหวังให้กำลังใจให้ความสุข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 ไปหาหมอรักษามาลลายแห่งโรงพยาบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้จนทั้งเราต้องช่วยเหลือตัวเองลนะช่วยร่างกายไม่ได้ช่วยจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นยารักษาใจก็อยู่ที่การเจริญสติเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มือเท่านั้นนะ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 ต่อมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่หารองเท้ามานะเดี๋ยวเอากางเกงมาด้วยเสื้อด้วยสตางค์อีกจะได้ไปเที่ยวพลอยสนทนาไปเลยเป็นบรรยากาศจากความเครียดเป็นความสุขพอเริ่มเข้าใจปฏิบรรัติทำแล้วเข้าใจตัวเรามากายิ่งขึ้นและเข้าใจคนอื่นกระตือรือร้อนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเรียนรู้ความทุกข์และเข้าใจนะใจมันก็มีความสุขเพราะารู้ทันแต่แล้วเห็นไหมอันเนี้เป็นส่วนที่ดีนะ